พระสี่สิบเอดสัมมเนนหนึ่งสี่สิบสองลงมาฉันสามสิบเจ็ดงด5่าพระวัดเราช่วงนี้มากชีวิตของนักบวชวันนี้เป็นวันที่สิบห้าวั น, นวันที่สิบห้ามีนาพุทธศักราชสอง4ันห้าอยห้าสิบสี่พระสี่สเอ็ดสัมมเนนหนึ่งสี่สิบสองพระนักศึกษามหิดล 9บวชเมื่อวันที่13บถึงยังไงพระลูกพระหลานทุกองค์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานขันติคือความอดอดทนเพราะว่าเราอยู่ชีวิตของคารวาตก็เป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งแต่นี้เมื่อเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา เราก็ต้องใช้ชีวิตของนักบวชตามแนวแถวพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านวางกฎระเบียบไว้อย่างไรกฎหัวกฎระเบียบวินัยไว้อย่างไรพวกเราก็เข้ามาอยู่ในกฎระเบียบนั้นมันไม่เหมือนกฎระเบียบที่พวกเราเคยอยู่มาก่อนพวกเราอยู่มาก่อนนั่นก็คือคารวะ าราวาสญาติโยมก็อยู่ในกฎหมายก็อยู่ห่างๆอยู่อีกลักษณะหนึ่งแต่เมื่อเราเข้ามาบวชเราก็มาอยู่ในกฎระเบียบพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้คือสินสองร้อยี่สิบ็ดคือมีทั้งห้ามและก็อนุญาตให้ทำและห้ามไม่ให้ทำสิ่งที่ห้ามก็มีสิ่งที่ให้ทำก็มี ว่าศิลและวินัยเพราะนั้นพวกเราเข้ามาอยู่ในกฎระเบียบของศิลและวินัยของพระพุทธเจ้าจะให้เหมือนกับเมื่อเราอยู่เป็นครวตัตก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เมื่อเราเข้ามาอยู่ในกฎนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่ท่านอยู่ก่อนท่านก็ไม่ได้แพ้เราถ้าว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ก่อนท่านมีกฎหมายคุ้มครองอีกพระวินัยคุ้มครองอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ เหมือนกันพอเข้ามาบวชแล้วศีลสองรอยี่สิบเจ็ดเหมือนกันเว้นเสียแต่ว่ากฎพระวินัยอีกชนหนึงก็คือให้สิทธิ์ว่าครูบาอาจารย์ควรทําตนอย่างไรสิทธญาณุสิทธิควรทําตนอย่างไรอันนั้นก็คือพระวินัยให้สิทธิ์แยกออกไปคือให้มีสูงมีต่ําพูดง่ายๆทางว่าเราเข้ามาแล้วเสมอกันหมดทุกอย่างใครจะพูดอะไรก็พูดได้อันนั้น ก็ไม่รูใครจะสอนใครไม่รู้ใครจะแนะนําใครมันเสมอกันมีสิทธิ์เสมอกันอันนี้พระวินัยท่านก็ให้สิทธิ์ครูบาอาจารย์พะระเถระควรจะมีสิทธิ์ยังไงควรจะพูดกล่าวแนะนําสั่งสอนผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่อย่างไรถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกับโลกท้องเขาเด็กนักเรียนจะไม่จะให้เหมือนครูได้เหรอจะทําตัวเหมือนครูได้เหรอทําไม่ได้ ก็ต้องมีกฎมีการปกครองกันตามขั้นตอนแต่พอการเป็นอยู่กฎหมายบ้านเมืองห้ามข่าห้ามตีห้า ม, าา ม, ามอะไรเบียดบังอันนั้นก็คือกฎระเบียบเขามีอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันในพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติเอาไว้ปกครองสงฆ์ก็ลักษณะอย่างนั้นแะแต่ถึงยังไงเมื่อเราเข้ามาอยู่ในกฎระเบียบหนึ่งก็ต้องมี ต้องอึดอัดบ้างแต่พอรู้กฎระเบียบแล้วเราก็สบายเพราะว่าเรารู้จักวิธีการวางตัวการอยู่ด้วยกันก็สบายใจเพราะเรารู้จักวางตัวไปงนั้นขอให้พระถูกพระหลานทุกองคนะเข้ามาบวชให้ตั้งอกตั้งใจครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งใค้นคว้าศึกษาให้ปฏิบัติ กลางคืนอย่างที่ผมพูดได้พูดได้กล่าวก็มีวิทยุให้ทุกคนวิทยุทางนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ให้ฟังร้องราทำเพลงนะเราให้ฟังธรมธรมะธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเพราะเราฟังร้องราทำเพลงมาพอแรงแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่บัดนี้เราเข้ามาเพื่อการศึกษาเราก็ต้องเปิดฟังธรรมเทศนาของหลวงตาเวลาดึกสงัด ตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจนถึงตีห้าเราพยายามฟังสักกันหนึ่งแต่ละวันอย่าได้ขาดเพื่อการศึกษาคนเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องรับการศึกษาผมก็เหมือนกันที่อยู่กับครูบาอาจารย์ตลอนตลอนเป็นสมณีนยอยู่8ปีเป็นพระจนถึงพรรษา18เกือบพรรษา20จึงได้ออกจากครูบาอาจารย์ จึงได้ออกมาอยู่ที่นี่ผมไม่ได้ออกทะเลทลายนะผมการศึกษาของผมถ้าจะว่าไปแล้วส0่สยี่สกปีการศึกษาอยู่เพื่อการศึกษาเพราะนั้นเวลาศึกษาจบตามแนวแถวครูบาอาจารย์แล้วแต่ให้จบไม่จบหรอกท่านก็จะต้องมีเทคนิคไปเรื่อยๆแต่เราคิดว่าน่าจะเพียงพอน่าจะนำมาสอนตัวเองได้จึงได้ออกมา แล้วก็พยายามแต่ถึงยังไงก็ยังเข้าไปกราบครูบาอาจารย์เป็นบางครั้งบางทีท่านก็มาหาบางทีเราก็เข้าไปกราบท่านเป็นประจำยังยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจจิตถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเครื่องนําเป็นเครื่องชีน้นําบางทีท่านก็ดูด่าว่ากล่าวเราก็ยอมรับถึงจะอยู่ห่างไกลครูคบาอาจารย์ถ้าเรายอมรับเข้าไปกราบไปไหว้ท่าน ท่านขอแนะนําสั่งสอนท่านก็ยังสืบเนื่องว่าอนี้คือยังเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอยู่ท่านก็พยายามบอกกล่าวสิ่งที่มันที่ไม่ถูกต้องนี่เราก็ต้องนํามาประพฤติปฏิบัตินี่แหละอันนี้คือคือการศึกษาคนเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการศึกษาอย่างพระธรรมวินัยที่ทำคําสอนของพระพุทธเจา้าสุดธรรมะปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังฮะถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังจะเกิดปัญญาได้อย่างไรคิดดูซิถ้าคนเกิดมาแล้วเอาไปใส่หลอดแก้วเอาไว้จเลี้ยงใหญ่ขึ้นมาโดยไม่มีใครบอกใครสอนเอามาให้เลี้ยงดูให้ดีแล้วจะเฉลยวฉลาดได้ไหมคนถึงจะเป็นคนก็เถอะมันฉลาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีใครแนะนาสั่งสอนนี่ก็เหมือนกัน พวกเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังมากเท่าไรก็ยิ่งเฉลียวฉลาดรู้จักช่องรู้จักทางรู้จักเขามาบวชไน้มาเพื่ออะไรมีจุดมุ่งหมายอะไรแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราจะรู้แนวทางไปเรื่อยๆถ้าเราศึกษาเนี่ว่าสุดตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นามา ให้ควรทบทวนไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังนั้นมีเหตุมีผลไหมที่ครูบาอาจารย์พูดวันนี้แนะนําวันนี้เป็นยังไงเราก็นํามากั้นกองไตรตรองอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติอันนี้เแปลว่าจินตามะยะปัญญาภาวนามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาอย่างครูบาอาจารย์นั้นว่าภาวนาเนะ ให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้กำหนดลมหายใจเข้าออกนะยึดกรรมฐานให้แน่นนะพุโทโธพุโทโธเป็นหลักนะอย่าส่งจิตไปทางอื่นนะในเมื่อเราทาจิตใจให้สงบนิ่งเมื่อจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเมื่อออกจากสมาธิเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งจิตออกจากสมาธิจิตเป็นหนึ่งเมื่อถอนขึ้นมา เรานำมาพิจารณาสิ่งไหนก็เป็นเหตุเป็นผลเพราะจิตผ่านการผ่านความสงบมาแล้วแต่ถ้าว่าจิตใจของเราปรุงฟุ้งอยู่ทั้งวีทั้งวันแล้วจะจ ะ, จะนำมาพิจารณาไรตรตรองหาเหตุหาผลนั้นมันจะค้นหาไม่เจอเพราะเหตุไรเพราะใจของเราแตกใจของเราฟุ้งซ่านเผลอๆคิดอะไรก็ไม่ออกีต่างหากจาหน้าจําหลังปั๊มปั๊มเปอรเปอรไปเสียศูนย์ไป ถ้าหนักกว่านั้นเพราะเหตุไรเพราะใจของเราไม่ได้รับการกันกรองไม่ได้รับความสงบแต่จิตใจของเราได้รับความสงบแล้วนำมาพิจารณาสิ่งไหนให้พิจารณาเรื่องอะไรกันกรองไตรตรองเรื่องเหตุผลเรื่องอะไรจะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นมักเป็นผลเป็นเรื่องเป็นราวที่ว่าเราต้องการสิ่งไหนเราจะเห็นได้ชัดในเรื่องนั้นๆอันนี้เรียกว่าภาวนามายปัญญา ภาวนามยปัญญาเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาอื่นไม่มีหรอกจะสอนเรืภาวนามยปัญญามีแต่สุดตามยปัญญากระจินตามยปัญญาในศาสนาอื่ น, นที่อื่นแต่พุทธศาสนาท่านว่าภาวนามยปัญญาทําจิตใจให้สงบเนื่องแล้วก็นำมาพิจารณาอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนเบื้องแรกที่เนี่ย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 ไม่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนําให้อาศัยการได้ยินได้ฟังเวลานั่งเวลาฟังเทศกลางคืนอย่างที่ผมบอกเปิดวิทยุเบาๆอย่าไปเปิดแรงพอได้ยินแต่เฉพาะตัวเองอย่าไปเปิดให้เตียงเสียงดังลั่นให้ครบกวนคนอื่นเขาเสียงเบาๆแล้วก็นั่งขัดสมาธินั่งฟังพอฟังจบกัรหนึ่งเสร็จแล้วก็ดับวิทยุจะนั่งต่อก็ได้ กำหนดดูหายใจลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุทโธนั่งพอสมควรแล้วเรายังค่อยกลับไหว้พระและยังค่อยพักผ่อนนี่แหละหน้าที่ของพวกเราพวกเราไม่ได้ทําการทํางานไม่ได้ทํามาค้าขายไม่ได้ทํางานอะไรอันนี้เราเข้ามาคราวนี้มาฝึกขัดเรื่องจิตตภาวนาเพื่อส่อแสวงหาทาง พ, พ้นทุกตามแนวอริยมรรค ที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนเราไม่ได้มาเสาะแสวงหาเงินคำทรัพย์สมบัติไม่ได้เสาะแสวงหาเรื่องอื่นอันนี้คือเรื่องที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในคราวนี้มาเพื่อเสาะแสวงหาทางพ้นทุกมาเพื่อภาวนามาหาความสงบนี่แหละคือหลักที่พวกเราเข้ามาในบวชในคราวนี้ให้พวกเราเข้าใจ ว่าการบวชการเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้มุ่วังอย่างอื่นจุดใหญ่ของเราก็คือมาเพื่อภาวนาไม่ได้โสเสแสวงหาอย่างอื่นถ้าเราอยากจะร่ําอยากจะรวยอยากจ ะ, ะแสวงหาทรัพย์ภายนอกเราไม่ควรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแปลว่าเข้ามาผิดที่ผิดทางใชแล้วเอแปลว่าเข้ามาผิดช่องใชแล้วมาช่องนี้มามาเพื่อปล่อยวางมาเพื่อโสแสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่ใช่มาก่อโพย ไม่ใช่มาสแสวงหาลาบโรคหัวโงกนะถ้าใครจะเข้ามาอย่างนั้นไปว่าไม่ควรเข้ามายิ่งมามาเป็นพระกรรมฐานอย่างพวกเราเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งจะเข้ามาอย่างนี้มาเข้ามากรรมฐานเราเป็นผู้มักน้อยสันโดษมีอะไรมีอะไรใช้จ ะ, จะตามอัอตภาพมีอยู่มีกินมีใช้ไม่อดอย่างพวกเราเห็นทุกวันไม่อดเออ การอยู่การฉันอาหารการบริโภคศรัทธาญาติโยมมาถวายไม่ ม, ไ ม, ม, ม, มีไม่มีปัญหาแต่กเรื่องของใช้ผ้านู่งห่มไม่มีปัญหายาแก้โรคภัยไข้เจ็บในเมื่อมีคราวจำเป็นก็ไม่มีปัญหาแต่เราจะไปเสาะแสวงหาอย่างอื่นนั้นอันนั้นผิดผิดที่ผิดทางไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนา พ่อแม่ผู้บายการนเนีนยนะมีใจจะให้พวกเราภาวนาเนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านนะลูกหลานทุกอง์นะเข้ามาบวชในคราวนี้ให้ภาวนาอย่างวันเนี้อากาศดีๆอย่างเนี้ยพยายามนั่งให้นานนั่งกุฏินั่งขัดสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเข้าไปเจ้าจะนั่งสักสามชั่วโมงวันนี้ทดลองดูสิเป็นยังไงฮะตั้งจิตอธิษฐานขาขวาทับขาซ้ายคือมพรพุทธพุทธนั่งเออไม่ ถึงสามชั่วโมงไม่ออกะบังคับดูสิทดลองดูต่อไปกั บ, บังคับหกชั่วโมงดูสิเป็นยังไงทดลองดูนะนี่แหละวิธีการถ้าว่าพวกเราพยายามไม่ส่งจิตใจออกไปข้างนอกจิตใจรวมสงบลวเป็นหนึ่งจิตใจรวมเป็นหนึ่งนี่แหละเราจะได้รู้รสของพระธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะได้รับรู้รับรสได้รับความสัมผัสแห่งความสงบมันจะติดจิตติดใจของพวกเราเป็นนานทีเดียวเลยจิตใจของเราเป็นนานทีเดียวเราก็ามาบวชในคราวนี้ไปว่าไม่เสียเที่ยวเสียทีกราบพระพุทธเจ้าทั้งยืนเดินนั่งนอนโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะ ทำมท่านจึงสอนท่านจึงรู้แนวทางจึงรู้แนวทางขนาดนี้เนี่ยเมื่อเราทำจิตใจให้สงบเพียงนิดหน่อยเท่านี้เองก็ยังมีความสุขถึงขนาดนี้ถ้าว่าเราทาให้จิตใจสงบตลอดไปเนิ่งตลอดไปรู้จักวิธีการออกใช้งานและกัวิธีการสงบจะมีความสุขขนาดไหนเราจะรู้ได้ตัวด้วยตนเองถ้าเรารู้จักวิธีการทาจิตใจให้สงบเพราะนั้นให พระรูปพระหลานทุกองนะทดลองดูแต่ให้เข้มงวดกวดขันสักหน่อยอย่าไปปล่อยปลาละเลยจนเกินไปนะพยายามนั่งให้นานพยายามเดินให้นานพยายามให้สติอยู่กับตัวเองบังคับให้สติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดเ อ, อเวลานั่งกับหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลาเดินกับขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาปัดกวาดกับเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโทการเคลื่อนไหวทุกอริยบท ให้เรามีสติสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็ดูจิตใจของเราว่าเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เวลานี้เราคิดไปทางโลกแล้วเราคิดไปทางทางไหนจิตใจของเราไหลไปทางโลกเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมถ้าไหลไปทางโลกเราก็ต้องบังคับเข้ามาสู่ทางธรรมให้มีสติอยู่กับตนเองพุทโธพุทโธนะนี่แหละอันนี้คือหน้าที่ของพระ ที่พวกเราบวชในคราวนี้คือหน้าที่ของเราโดยตรงเลยตัวนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มักได้ผลที่ท่านดวงรับดับขันไปที่ท่านกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุเนี่ยนะท่านทำอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะนี่แหละเป็นกุญแจดอกสำคัญคือสติสัมปชัญญะเนี่ยนะนะกุญแจดอกแรก ที่จะเปิดเข้าสู่มรึกเข้าสู่ผลแต่คนเราทั้งสติขาดสติเลื่อนลอยสติแตกสักอย่างเดียวเท่านั้นอนะ่ะมด เ, เดินไม่ไปถึงไหนแล้วงั้นเถอะพอมันมันเสียหลักแต่ทีแรกเพราะฉนั้นต้องตั้งสติให้ดีตั้งแต่แรกเมื่อตั้งสติดีแล้วนั่นแหละเราจะก้าวเดินไปเรื่อยๆสู่มรึกสู่ผลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกองนะตั อ, อกตั้งใจนะพอบูชามาแล้วก็อย่าให้เสียเที่ยวเสียที บวชเขามาแล้วบวชมาได้อะไรโอ้เข้าไปก็ไปอยู่ป่ายอย่างนั้นแหละไม่รู้จะทำยังไงพอได้บวชแล้วไม่รู้จะทำยังไงจะให้เป็นอย่างนั้นถ้าบวชอย่างนั้นเปนว่าขาดทุนปนปีเลยเพราะเราไม่ได้ศึกษาเหมือนเขาเขาพาไปขุดเพชรขุดพลอยเพชรพลอยแถวนี่มีมากนะแต่พอเราไปไปหาคบหมู่คบเพื่อนกินเหล้าเมาาย ไม่ได้ใส่ใจในการขุดเพชรขุดพลอยเราจะได้เพชรได้พลอยมาจากไหนเขาตั้งอกตั้งใจขุดเขาก็ได้ตัวเองมีแต่ไปเที่ยวไปไปเล่นสนุกสนานกับหมู่กับเพื่อนจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรกลับไปถึงบ้านกันพ่อแม่ไม่แต่ดูด่าว่ากล่าวทําไมส่งไปขุดเพชรขุดพลอยแล้วกลับมาไม่เห็นได้อะไรยังเผลอแผลยังแย่กว่าเก่าอีกต่างหากเพราะไปติดยาไปติดเหล้ามา กับหมูกับเพื่อนที่สำเเมเลยเทเมาเอาความชั่วกับมาสู่บ้านสู่เรือนของเราเอกีกพ่อแม่เพื่อนฝูงเขาจะตำหนิอย่างนั้นได้เพราะนั้นพวกเราเขามาบวชในคราวนี้นะมาขุดทองนะขุดทองในพระพุทธศาสนามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นสว่ากพระธรรมนะตัดไว้ชอบแล้วดีแล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสอนคนให้เป็นคนดีมาไม่รู้กี่ หมื่นกี่แส น, นกี่ล้านคนแล้วกี่ร้อยๆมันหมื่นจนแสนล้านมาแล้วแต่สักครั้งพุทธการมาถึงยุคสมัยนี้นะพวกเราควรจะศึกษาแล้วก็ฟังแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไงนี่แหละอยากให้ลูกหลานค้นคว้าศึกษานะบวชมาในคราวนี้นะอัะตอนนี้ไปรับพออรอโมทนาให้พร